ไอสิ่งเก่าแก่ซึ่งเคยเป็นมาแล้วด้วยความไม่รู้เดียสาภ า, ภ า, ภาวะอันใด น, นั่นก็ค่อยๆหมดไปหมดไปหากผลยังมีเหลืออยู่บ้างก็เป็นเพียงวิบาตไม่กำเริบคือเป็นผลเฉพาะที่ปรากดอยู่เท่านั้นไม่กำเริบหรือไม่รุนแรงมากยิ่งขึ้ น, นกว่าเดิม น, นี่ระหมาที่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 ตั้งหน้าตังตาอยู่กับกรรมริกรรมของเร า, าจิตใจนี่สายแสบไปสู่อารมณ์ที่เคยขอบวรตนเองจิตก็ย่อมมีความสงบเมื่อได้รับการบารุงรักษาด้วยสติตั้งหน้าตังตาทำอยู่โดยสม่าเสมอจิตก็มีความสงบลงได้พอจิตสงบแล้วเท่านั้นเรื่องความสุขก็มาเองเหตุที่มันไม่มีความสุขพันใจเพราะมันมีความสงบพอจิตเริ่มสงบ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 แยกเข้าไปแยกเข้าไปดูตั้งแต่ผิวเนี่ยเท <Theres ia> สาโรมานขะะาทาันตาตะโจดูก็ไปภายในดูเข้าไปดูเข้าไปหาตัวหญิงตัวชาย ต, ตัวสัตว์ตัวบุคคลตัวเราตัวเขาอื Indiana. ตัวอัตภาพาร่างกายจริงคืออะไรค้นเข้าไปมิท่านว่าปัญญาหาเข้าไปค้นเข้าไปหาความจริงทีงนี้ความจริงที่ปรากฏขึ้นจาก ก, การคน้นคว้าการพิจารณา้วยปัญญานี้ไม่ใช่เป็นความจริงดังที่เราว่าเป็นสัตวเป็นบุคคลใช่หรือไม่